เนคาถาที่เจ็คาถาที่เจ็ดหน้าหนึ่งร้อยบอกว่าในกรุงพารณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าเอกปุติกะพรหมทัตปแปลว่าพระราชโอรสพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยเป็นผู้เสมอด้วยชีวิตของพระองค์คือหมายความว่าชีวิตของพระองค์เนรักลูกที่สุดก็เลยเรียกว่าเอกปุติกะพรหมทัต เป็นพระราชาที่รักลูกมากที่สุดในชีวิตเหมือนกันเถอะชีวิตนี้รักลูกมากที่สุดถ้าทุกอย่างฮะเรื่องลูกและทํำได้หมดเหมือนกันพระองค์ก็เลยพาพระราชโอรสเนี่ยไปในอิรยาบด ท, ทั้งปวงสรุปว่าไปไหนไม่เคยห่างลูกแม้แต่ครั้งเดียวในวันหนึ่งพระองค์เมื่อเสด็จไปสู่พระรา ช, ชุทยานวันนั้นเกิดไม่พาพระโอรสนั้นไปด้วยนะลืมพาลูกไป พระกุมารก็เลยสิ้นพระชนด้วยพระญา ท, ที่เกิดในวันนั้นเท่านั้นลูกนี้ก็อดแอดแหลือเกินนะนะไม่เห็นหนา้าพระราชบิดาวันเดียวสวรรค์นนะัเลยสิ้นพระชนเลยอมารก็เลยคิดว่านี้ถ้าเราบอกตรงๆเนี่ยนะหัวใจของพระราชาแตกแน่เพราะรักลูกมากเละเกินเนี่ยนะความสเสน่หาในพระราชโอรสเนี่ยนะนะเพราะว่าพระราชชารากักห่วงใยลูกคนนี้มากที่สุดนี่ถ้าบอกว่าพระราชโอรสตายเนี่ยพระองค์จะเป็นอย่างไร ก็เลยไม่ทูลบอกพาการถวายพระเพลิงพระราชโอรสนั่นเสียช่วยกันเผาเรียบร้อยเลยนะเพราะไม่มีสวดอภิธรรมสวดไม่มีสักอย่างเอาไปเผาเลยตายแล้วทําอะไรได้พระราชาก็เลยวันนั้นมัวแต่เมาวันนั้นไปเที่ยวสวนก็เลยเมาแสดงว่ามีพวกบริวารเนี่ยเดือให้แกล้งให้พระราชาดื่มซะจะได้ลืมลูกเหมือนกันแล้วก็เมาด้วยน้ําจันทในพระราชุิยานไม่ระลึกถึงพระราชโอรสมัวแต่เมาเลยลืมลูกหมดเลย น้ำเมานี่มันร้ายมากนะรักลูกมากนะรักเสมอด้วยชีวิตเมาแล้วลืมลูกมาเลยในเวลาสงสนารนและเสวยเป็นต้นทั้งเวลาอาบก็ไม่ลืมลูกเวลาเสวยอะไรก็ไม่ลืมลูกเพราะมัอแต่เมา ว, วันที่สองก็ไม่ระลึกยิกเหมือนกันเนี่ยนะครั้งนั้นพระองค์เสวยพระกยาหารประทับนั่งนะหลายวันผ่านไปก็เลยระลึกถึงได้ระลึกถึงลูกบอกนี่เป็นนําบุตรของเรามาอำมาตย์ก็บอกเรื่องนั้น นะเล่าให้ฟังเรียบร้อยพระองค์ก็ถูกความโศกครอบงำประทับนั่งเท่านั้นสียใจมากเลยนะโสกกะปริเทวะทุกขโทโมัสและอุปายาตได้ย่งลงสู่ใจของพระราชาอนนะก็อย่างว่านะคนที่สังสมอุปนิสัยที่จะออกจากวัตะเนี่ยนะโกะปริเทวะทุกโทโมนัตอุปายาตเกิดขึ้นเท่านั้นแหละ ก็มรณะสิการในพระไตรยโดยเย็บขายว่าสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเนี่ยนะเพราะชรามรณะแท้แท้จึงโสกะปริเทวะทุกโทมนัะและอุปาญาตและชรามรณะนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเนอะก็เพราะชาติและชาติเพราะอะไรเพราะพบพบเพราะอะไรอุปาทานอุปาทานเพราะอะไรเพราะตันหาตันหาเพราะ เวทนาเวทนาก็มีเพราะภาษาภาษะมีเพราะสลายตนะสลายตนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะสังขารสังขารมีเพราะอวิชชาด้วยประการอย่างนี้แหลอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นจนถึงชราโมระโสกกาปริเทวะทุกโอมนัสและอุปาญาก็เกิดด้วยประการอย่างนี้โสกะปริเทวะ ทุกโทมานัสอุปายาตไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็เพราะไม่มีชราและมรณะแล้วทำชรามรณะจะไม่มีก็เพราะไม่มีชาติชาติไม่มีก็ต้องไม่มีพบเป็นต้นจนถึงโน่นแหละถ้าสังอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีก็เห็นว่าถ้าสัมรคกอวิชชาดับอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับเป็นต้นก็เลยมนาสิการปฏิจจสมบทบาททั้งอนุโลมปฏิโลมมนาสิการทั้งโดยประวัตตนิวัตต ทั้งโดยอริยสัจทุกแง่มุมก็ตรัสรู้เป็นพระปเจกพระพุทธเจ้กกาของเราก็เรียนมาแบบเดียวกันท่านนะทําไมเราจืดเฉยๆกันนะนะก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไปทางไหนแต่ว่าเราไม่ไปตามเลยบอกเดี๋ยว ๆ, ๆขอเรียนทางไว้ก่อนยังไม่ได้ไปอะไระไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะนะนะก็เลยในคาถานี้มีมีคำกล่าวในคาถาว่า การเล่นการยินดีมีอยู่ในถ้ำกลางแห่งสหายแต่ความรักในบุรทั้งหลายเนี่ยมีมากบุคคลเมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รักพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอรลฉะนั้นจำไว้เถอแต่ว่าถ้าเกลียดความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต้องเจริญมรรคแปดางนั้นนะ่ะก็บอกว่ารักมากก็เมื่อพรากมากก็เสียใจมากโศกมากเศร้ามากทุกมากเพราะอะไรเพราะจากบรอันเป็นที่รัก ถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพลาจากสิ่งอันเป็นที่รักเที่ยวไปในมรรคแปดเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แสงบกิเลสไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นนะมันตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่พอใจกันเช่นอยู่กับบุตรใช่หัหยเวลาเล่นก็เล่นกับลูกเป็นต้นเนี่ยนะเล่นทางกายพูดหยอกเยา้าทางวาจา นะหรืออาจจะเล่นชนชะเล่นช้างเล่นม้าไปด้วยกันเล่นรถเล่นทางกายขับร้องเป็นต้นทางวาจาพันเมื่อมีการเล่นกับลูกมากๆเข้าความรักในลูกทั้งหลายก็มีกําลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทราบซ่านทั่วทั้งอัตภาพท่านบอกว่าวิปุลังแปลว่าซึมทราบทั่วอัตภาพโดยสิ้นหรืออัตภาพทั้งสิ้นรักจดเยื่อในกระดูกของอนานะรักลูกจดเยื่อในกระดูกเขาบอกว่า ไอตอนอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ารักอะไรเท่าไหรเนีแต่พอบอกว่าเนี่ยตายแล้วแค่นั้นแหละนะเห็นชัดเลยนะความทุกข์นี่มันออกมาตั้งแต่เยื่อในกระดูกเป็นต้นมาเลยนะความทุกข์มันขนาดนั้นถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความพลาดพลาดที่เกิดจากพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักนะนะเพ่งเที่ยวไปด้วยโพธิปักกยธรรมเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าอย่างนั้นก็จะพ้นจากทุกข์แต่ถ้าหากว่าไม่ พระภาคจากของอันเป็นที่รักอย่างนี้แล้วยังไม่เจริญมรรคแปดอีกอยังภาคอีกนานนี้แค่เริ่มต้นของมันนะสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกครั้งคือการเริ่มต้นเสมอไม่มีเพราะปลายมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะทุกครั้งมันอยู่ท่ามกลางตลอดเนี่ยนะมันก็เป็นการเริ่มต้นอยู่เสมอพราันถ้าผู้ที่ไม่มีอรมารยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์แปดโศกอีกนานเศร้าอีกนานเนี่ยนะ แม่แต่ผู้ที่สั่งสมบุญสั่งสมอุปนิสัยที่จะบรรลุเนี่ยนะลูกตายยังบรรลุเลยเอาสิของเราลูกตายไม่รู้กี่รชาติแล้วนะ